ธรรมบทแปลเรื่องพระมาหากัสสะเตระภาคที่สเรื่องที่72สสองพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงรารมพระมาหากัสสะเตระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอุยยุนชันติสติมันโตนะนิเกเต ระมันติเตหังสาวะปัญละหลังหิตวาโอกะโมกังชะหันติเตแปลว่าท่านผู้มีสติย่อมออกท่านย่อมไม่ยินดีในที่อยู่ท่านละความม่วงใหญ่เสียเหมือนฝูงหงละเปลือกตมไปฉะนั้นตอนธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า ผูชจเสด็จจาริกความพิสดารว่าในสมัยหนึ่งพระศาสดาทรงจำพรรษาอยู่ในกรุงราชคฤห์รับสั่งให้แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าโดยการล่วงไปครึ่งเดือนเราจะหลีไปสู่ที่จาริกได้ยินว่าการที่รับสั่งให้แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอีกสิบห้าวัน เราจะหลีกไปสู่ที่จาริกดังนี้นั้นด้วยทรงประสงค์ว่าภิกษุทั้งหลายจะทำกิจต่างๆมีการระบุมบาทและย้อมจีวนเป็นต้นของตนแล้วจกไปตามสบายด้วยอาการอย่างนี้นี่เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีประสงค์จะเสด็จจาริกไปกับพวกภิกษุ ก็เมื่อภิสุทั้งหลายกำลังทำกิจต่างๆมีการระบมบาทเป็นต้นของตนอยู่แม้พระม า, า ก, ะะกัสปะเตระก็ซักจีวรทั้งหลายแล้วตอนพวกภิกสุว่าพระเตระละญาติและอุปถากไปไม่ได้พวกภิกสุพากันยกโทษกินว่าเพราะเหตุไร พระเถระจึงซักจีวรเพราะในพระนครนี้ทั้งภายในและภายนอกมีมนุษย์อาศัยอยู่18โกรธบรรดามนุษย์เหล่านั้นพวกใดไม่เป็นญาติของพระเถระพวกนั้นก็เป็นอุปทาภพวกใดไม่เป็นอุปทาภพวกนั้นก็เป็นญาติชนเหล่านั้นย่อมทาความนับถือและสาักดาิระแก่พระเถระ ด้วยปัจจัยสี่พระเทรานั้นจละอุปการะมีประมาณเท่านั้นไปนะที่ไหนได้แม้หากพึงไปได้ก็จะไปไม่ไกลเลยจากซอกที่ชื่อว่ามาปมาทะดังนี้ก็ดังได้สดับมาพระศาสดาเสด็จถึงซอกอันใดแล้วย่อมตรัส บ, บอกภิกษุทั้งหลาย ผูควรที่โปรองพึงให้กลับว่าพวกเธอทั้งหลายจงกลับแต่เสียที่นี้อย่าประมาทก็ซอกนั้นชาวโลกเรียกกันว่าซอกมาประมาทะคำนั่นพิสุทั้งหลายกล้าไม้เอาซอกนี้นั่นเองแม้พระศาสดาเสด็จหลีไปสู่ที่จาริกปรางดมริ ว่าในพระนครนี้ทั้งภายในและภายนอกมีมนุษย์อยู่18โกรอันภิกษุจะต้องไปในที่ทำการมงคลและอาวะมงคลของมนุษย์ทั้งหลายมีอยู่เราไม่อาจทำวิหารให้ว่างเปล่าได้เราจะให้ใครน้อแลนั่นอยู่ลาดับนั้นพระองค์ได้ทรงมีความปริวิตกอย่างนี้ว่า ก็พวกมนุษย์เหล่านั้นเป็นทั้งญาติเป็นทั้งอุปถากของกัสสปะเราควรให้กัสสปะนั่นแหละอยู่โปร่งจึงตรัสกับพระเทราวากัสสปะเราไม่อาจทำวิหารให้ว่างเปล่าได้ความต้องการด้วยภิกษุในที่ทำมงคลและอาบว่ามงคลทั้งหลายของพวกมนุษย์มีอยู่ เธอกับบริษัทของเธอจงอยู่ที่นี่เถิดพระเตระจึงได้ทูลว่าดีละพระเจ้าค่าแล้วก็พาพวกของตนกลับไปพวกภิกษุทั้งหลายเหล่าอื่นพจนนาว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านเห็นไหมละ่ะพวกเราพูดประเดี่ยวนี้เองไม่ใช่หรือคำที่พวกเราพูดว่าเพราะเหตุไร พระมาหากัะสปะจึงสักจีวรท่านจะไม่ไปกับพระศาสดาดังนี้นั่นแหละเกิดเป็นจริงแล้วตอนทรงชี้แจงเหตุที่พระมาหากัะสปะกลับไปพระศาสดาทรงสดับถ้อยคําของพิกสุทธ์ทั้งหลายแล้วเสด็จกลับประทับยืนขึ้นแล้วตรัสว่าพิสุ์ทั้งหลาย พวกเธอกล่าวเรื่องอะไรกันพิกษุลานั้นจึงกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์กล่าวรรบารอบพระมหากัสสปะเตรัพระเจ้าข่านั่นี้แล้วพิกสุานั้นก็ได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดตามแนวความที่ตนกล่าวแล้วนั่นแหละพระศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าพิกสุทั้งหลายพวกเธอกล่าวหากัสสปะ ว่าข้่องแล้วในตระกูลและในปัจจัยทั้งหลายแต่ความจริงกาสปะกลับเข้าสู่นคร น, นั้นด้วยทำในใจว่าเราจะทำตามคำของพระตถาคตก็กาสปะนั่นแม้ในการกร่อนเมื่อจะทำความปรารถนานั่นแลก็ได้ทำความปรารถนาว่าเราพึงเป็นผู้ไม่ข้่องในปัจจัยสี่ มีอุปมาดังพระจันทร์สามารถเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายได้กสัสปานั้นไม่มีความคลองในตระกูลหรือในปัจจัยทั้งหลายเราเมื่อจะกล่าวข้อปฏิบัติอันเปรียบด้วยพระจันทร์และข้อปฏิบัติแห่งบงของพระอริยะก็กล่าวอ้างกาส ป, ปะาให้เป็นต้นตอนพระศาสดาตรับุรพาจริต ของพระเทระภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามพระาศาสดาว่าก็พระเทระตั้งความปรารถนาไว้เมื่อไหร่พระชาข้าพระาศาสดาพวกเธอประสงค์จะฟังอย่างนั้นหรือภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระชจ้าขาพระาศาสดาจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลาย ในที่สุดแห่งแสนกับจากกับนี้พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปะทุมุตตะทรงอุบัติขึ้นในโลกดังนี้แล้วตรความปรารถนาในการกนของพระเระทั้งหมดตั้งต้นแต่ท่านตั้งความปรารถนาไว้ในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปะทุมุตตะบุตรพัชริตนั้น พระธรรมสังฆาาจาย์ให้รายละเอียดไว้แล้วในพระบาลีอันแสดงประวัติของพระเทระนั่นแหละก็พระศาสดาครันตรัสบรวาจริตของพระเทระให้พิสดารแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะอย่างนี้แลเราจึงกล่าวข้อปฏิบัติอันเปรียบด้วยพระจันทร์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 ดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคถานี้ว่าท่านผู้มีสติย่อมออกท่านย่อมไม่ยินดีในที่อยู่ท่านละความห่วงใหญ่เสียเหมือนฝูงหงละเปลือกตมไปฉะนั้นบาลีว่าอุยยุนชันติสติมันโต น, นิเกเตระมันติเตหังสาวะปัลละหลังหิตวาโอกะโมกังชหันติเตในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าวิ ย, ยุนชันติสติมันโตแปลว่าท่านผู้มีสติย่อมออกหมายความว่าท่านผู้ถึงความไยบูรณแห่งสติ คือว่าท่านผู้มีอาสวะสิ้นแล้วย่อมขวนขวายซืบต่ออยู่ในคุณอันตนแต่งตลอดแล้วมีฌานและวิปัสสนาเป็นต้นด้วยนึกถึงด้วยเข้าสมาบัติด้วยออกจากสมาบัติด้วยตั้งใจอยู่ในสมาบัติแล้วด้วยพิจารณาถึงก็คำที่ว่านะนิเกเตระมันติเต แปลว่าท่านย่อมไม่ยินดีในที่อยู่หมายความว่ า, วาชื่อว่าความยินดีในที่ที่เป็นห่วงของท่านย่อมไม่มีคำว่าหังสาวะแปลว่าเหมือนฝูงหงนี้เป็นแง่แห่งเทศนาก็ความอธิบายในคำนี้ดังนี้ว่าฝูงนกถือเอาเหยื่อของตนในเปลือกตม อันบริบูรณ์ด้วยเหยื่อแล้วในเวลาไปไม่ทําความห่วงซักหน่อยในที่นั้นว่าน้าของเราดอกประตุมของเราดอกอุบลของเราดอกบุญทริกของเราย่าของเราดังนี้หาความเสียดายไม่ได้เทียวและประเทศนั้นบินเล่นไปในอากาศฉันใดปรากีณาศกทั้งหลายนั้นก็ฉะ น, นั้น แ, แล แม้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งไม่คล่องแล้วในสกุลเป็นต้นเที่ยวอยู่แม้ในกราวไปละที่นั้นไปอยู่ไม่มีความห่วงใหญ่ไม่มีความเสียดายว่าวิหารของเราบริเวณของเราอุปต่าของเราไปอยู่คําว่าโอกะโมกังแปลว่าความห่วงใหญ่หมายถึงความอาลัยอธิบายว่า และความห่วงทั้งปวงเสียในการจบเทศนาจนเบ น, นันมากบรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องพระมาหากัสปะเทระจบ